ได้ยินไหมเนี่พูดทั้งวันจบแล้วก็มานี่ยภาพเสียงเดี๋ยวก็อยากบอกอยากสอน ความเท็จความจริงเพราะว่าเวลาเหลือน้อยแล้วจะไม่พูดพุ่มพวยภาษาพุ่มพวยให้มันตรงตรงเข้าไปเวลามันหลงลูกมันหลงกับความรู้คนรั พลม่มพอดีมาหน้ามือหลังมือมั น, นทุกรูปไม่ทุกมันโกรธไม่โกรธปฏิบัติตรงแล้วปฏิบัติออกจากทุกแล้วเปลี่ยนหลงเป็นไม่หลงเปลี่ยนโกรธเป็นไม่โกรธเปลี่ยนทุกเป็นไม่ทุกตรงที่สุด เป็นก้าวแรกของโดนทางออกจากทุกอรหังเป็นผู้ไกจากทุกข้าวแรกคือหลงเป็นลูกไม่ทุกไม่หมั่นโกรธเป็นไม่โกรธไม่ทุกเป็นไม่ทุกถ้าทุกเป็นทุกเป็นปุตตชนจะห่มผ้าจีวร อ, อยู่เรียกว่าปุตุชน ถ้ามันหลงเป็นหลงเป็นปุรุชนเห็นมันหลงเป็นมนุษย์ไม่เป็นผู้หลงเป็นพระเห็นมันมันทุกข์เป็นปุรุชนเห็นมันทุกข์เป็นมนุษย์เป็นมากโฉกลัวความทุกข์เป็นทุกข์เห็นมันทุกข์มันโฉกลัวโฉกลัวความทุกข์ มนุษย์มักแกไปสูงสูงถ้าเห็นทุกข์เห็นมากไม่ทุกข์เป็นผลมากผลได้น้อยถ้าโกรธเป็นผู้โกรธเป็นปุรุชนเห็นเหมือนโกรธเป็นมากไม่เป็นผู้โกรธเป็นผลตรงเงนข้ามทุกอย่าง เป็นมากเป็นผลไปเลยปฏิบัติได้ให้ผลได้เราจะเห็นตัวเราเป็นลักษณะแบบไหนอยู่กันอย่างไรชีวิตของเราัด น, นอยู่กับการกระทากับการฝึกตนสนต น, นไม่เกี่ยวกับเพศกับว้เกี่ยวกับประทินกาย เห็น <c oughs> อย่างนี้ชื่อชื่อตรงตรงไม่รับไม่ลี้นึกซึ่งนึกซึ่งลองดูก็ได้เดือนฐานะลองดูฐถาะกนเา็นคนมาเป็นมนุษย์เราเ็มนุษย์เป็นพระ แต่เนี่ยนักคือดูมันทุกเห็นมันทุกดูมันนั่นผลเป็นผู้ไม่ทุกเป็นมันทุกไม่เป็นทุกความทุกเป็นมันโกรธไม่เป็นโกรธเพราะความโกรธเห็นมักเป็นผลอยู่ตรงนี้ไม่รีบไม่รับ เข้าขายเขาอริยมรเจริญสติปัฏฐานนะี่มีสติรับความชั่ว ท, ทันทีมีสติทำความดี ท, ทันทีมีสติจิตบริสุทธ์ทันทีไม่ต้องไปรอไม่ได้รอเสี้ยวไวไินาทีเดียวมีสติ กาเป็นการรักษาศีลศีลจะเกิดได้เพราะมีสติเป็นหน้ารอบไม่เผอเรียกว่าพระญาบุคคลก็ได้พระ โยคาวจนก็ได้ป้าขีนาศกก็ได้ประขีนาศ ก, กเป็นผู้มีสติเป็นหน้าโลกมีสติเป็นศีลมีสติเป็นวินัยนี่เลยว่าขีนาศกไม่ใช่ตั้งกัลรลรือย มันหลงมันรู้มันสุขมันทุกข์รู้หมดที่เรามีสติมันยากเห็นมันยากมันง่ายเห็นมันง่ายมันผิดเห็นมันผิดมันถูกเห็นมันถูกมันสงบเห็นมันสงบมันไม่สงบเห็นมันไม่สงบไม่เป็นอะไรกับอะไรพอมีสติก็เป็นกลางไป้นทีถ้าไม่เกิดความเป็นกลาง ไม่ีความเป็นกลางก็มีความเป็นธรรมเกิดขึ้นขณะปฏิบัติอรู <c oughs> ้จักตัวมากมากไม่หลงเป็นธ ร, นรรมชาติเป็นกฎธรรมชาติเมื่อไม่หลงนานวันมีสีมากขึ้นเป็นธรรมดาผมหลงน้อยลงกติมากขึ้น แนื้อควา ม, มหลงน้อยหลงคมมุงไม่มีโอกาสไม่มีเหยื่อสุขไม่มีไม่รสชาติทุกข์ไม่มีรสชาติดีใจเสียใจไม่มีรสชาติยินดียินร้ายมันมีรสชาติเมื่อไม่มีรสชาติเ้าก็หัวแท้งได้เหมือนข้าวเปลือกที่เจ็บไปไหนฉางไม่ได้กินไม่ได้อาถน ไม่ได้สัมผัสกับความชื่นไม่ได้สัมผัสกับอากาศเจ็บไปปีสองปีเอาไปบานไม่เกิดหมดเชื่อเราก็ไม่ไม่ได้ปล่อยให้มันสุกไม่ปล่อยให้มันทุกข์เวลาบรรลัยก็รู้ด้วยปผมรู้สึกตัวเป็นการคงง่ ม, มเนืดของสังขาร สังขารคือบานปุงวิสังขารคือไม่ปุงมีความรู้สึกตัวเป็นเป็นเป็นวิสังขารคูมความเนิดของชาติเป็นคูมความเนิดของชาติชาติคือสุขชาติคือทุกควมสุขกันทุกเป็นชาติที่เป็นพบเป็นชาติเกิดดับเกิดดับ ถ้ารู้มันสุกไม่เป็นผู้สุกเห็นมันสุกไม่เป็นผู้สุ ข, ส ข, สขชาติสุขไม่มีมันทุกข์เห็นมันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์ชาติแห่งความทุกข์ไม่มีนั้นโกรธเห็นมันโกรธไม่เป็นผู้โกรธชาติแห่งความโกรธไม่มีเรียกว่าวัฏตะไม่มีจะเกิดอะไรขึ้นที่สุดลองดูหนึ่งวันที่เจ็ดวันหนึ่งเดือนเจ็ดเดือนหนึ่งปีเจ็ดปี อย่าไปเชื่อใครสมภัสเอาการกระทธรรมมีการกระทธรรมกรรมประสานมักสิทธิ์ทันทีทันใดทุกคนทําได้เลามันหลงทุกคนรู้ได้ไม่หลงก็ได้มีสิทธิเรามันโกรธทุกคนไม่โกรธได้มีสิทธิไม่โกรธเลามันทุกมีสิทธิไม่ทุก ใจเฉิ่อยตี่ของตัวเองใจ้ฉื่อิตี่ของตัวเราเองเป็นดีชละสัมผัดดูแล้วความโกรธไม่เป็นธรรมผมไม่โกรธเป็นธรรมผมหลงไม่เป็นธรรมผมไม่หลงเป็นธรรมความทุกข์ไม่เป็นธรรมผมไม่ทุกข์เป็นธรรมความสุขไม่เป็นธรรมมันไม่สุขที่เป็นธรรม อารมต่างๆดีใจเสียใจไม่เป็นธรรมไม่ใช่ที่อยู่ของกิจใจทีจะเป็นบ้านของใจคือปกติกิจใจมีบ้านคือปกติถ้าใจไม่มีบ้านก็ใจก็เถื่อนไปจสุกเป็นทุกข์เอาความสุขความทุกข์เกิดจากใจให้ใจพลาให้สุขใทุกข์ซึ่งไม่ได้ ถ้าเป็น จ, จิตใจมันไม่เป็นอะไรโุกทุกข์มาทีหลังถ้าเรามีสติมีสติไปนานความโศกเกิดขึ้นตื่นความโศกความทุกข์เกิดขึ้นตื่นความทุกข์พุทโธคือตื่นทุกข์ตื่นปัญหาที่เกิดกับกจิตจนเรียกว่าพุทโธว่าว่าภาษาบ้านเราปัดโธวัดที่เดียวเราพุทโธ ตื่นไม่หลับในตรงนี้ไม่อ่อนแอในความอ่อนแอเข้มแข็งกว่าอ่อนเอไม่หลับในความหลับตื่นทัวในวันหลับเมื่อตื่นเบิกบานในความเศ้าหมองนี่เราฝึกตัวเราเป็นไปได้ตรงๆอย่างนี้พระเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้ พอ่อทำพระธรรมคำสอนอันเป็นไปเพื่อทางออกจากทุกข์เป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อปฏิญญาพานเรียกว่าคําสอนคำสอนคือการกระทํา ม, ม่ใช่ให้รู้หัดตามคําสอนความรู้ึกตัวก็มีความรู้สึกตัวไม่ใช่ไปท่องเอาเวาที่มหลงก็รู้สึกตัว รู้จึกตัวได้ทุกกรณีคำว่ารู้สึกตัวไม่มีที่ไม่มีการไม่มีเวลารู้สึกได้ทุกโอกาสในความหลงรู้สึกตัวในความรู้รู้สึกตัวใ น, ค ว, วใน ค, วความทุกข์รู้สึกตัวในความพุ่งสรางรู้สึกตัวในความโุกความทุกข์รู้สึกตัวถ้าเป็นสติปัฏฐานไม่เป็นอะไรกับลายมาเหนือเหนือ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 แห่งธรรมเรารู้สึกตัวผู้ใดมีก็รู้สึกตัวเป็นของผู้นั้นผู้ใดไม่มีก็ไม่เป็นของผู้นั้นเป็นของผู้รู้สึกตัวผมรู้สึกตัวไม่มีเพศไม่มีวัยไม่มีลัทธิไม่มีนิยายเป็นความรู้สึกตัวล้นล้นซื่อ ผมรู้สึกตัวอยู่กับเราเวลานี้ผมรู้สึกตัวอยู่กับพระเจ้าสองพันกว่าปีอันเดียวกันผมรู้สึกตัวอยู่กับคนหน่มผมรู้สึกตัวกับคนแจรอยู่กับพระสงฆ์อยู่กับคารวะญาต้า ย, าายามอันเดียวกันจึงเป็นสาคนแห่งธรรม ความโกรธก็เหมือนกันความไม่โกรธก็เหมือนกันแต่ต่างกันทุกคนหนังโกรธคนหนังไม่โกรธวัตถุอันเดียวกันคนหนังพอใจคนหนังไม่เป็นลายต่างกันตรงนี้เมื่อหัดล้วก็เป็นเหมือนกันเรานั่งอยู่นี่้ามีสติเป็นคนคนเดียวกัน ถ้าเราหลงก็เป็นคนแล้วโคนกันไปถ้ามีสติเป็นคนคนเดียวนลวความชั่วทำความดีขนาดที่มีสติได้ทุกคนกดโมลานสมัยอินเดียเจ็บตอนเหนือของประเทศเขาเป็นกรุงเดลีนี่ เด็กเห็นก็นจะมักถามว่ามีสติหรือเปล่ามีสติแล้วมีสติแล้วเห็นกันจะถามเรื่องสติเมื่อก่อนเรื่องสตินมากที่สุดถ้าคนหนึ่งพูดหลงคนหนึ่งก็เตือนหลงไปแล้วเพื่อนหลงไปแล้ว ลองดูซิมันจะเป็นกัรละยานาะมิตรยิ่งเราอยู่เป็นสองคมพ่อบครัว <c oughs> ลองดูจะเป็นจย่างไนเคยมีญาติเขาบอกให้ฟังแม่บ้านโกรธให้ลูกพ่อบ้านบอกลูกอย่าเข้าไปใกล้นะไม่ใช่แม่นะยักษ์ ล้าก็หนีไปเป็นยักษ์เดี๋ยวแต่เมื่อใดให้แม่เป็นแม่จะเข้าไปหาเดี๋ยวแน่แม่กำลังเป็นยักษ์อยู่เข้าไปถูกลูกหลงได้แม่ได้ยินก็ เ, เห็นตัวเองแสดงออกคาพูดก็ไม่ดีรักษาท่าทางก็ไม่ดี แล้วก็รู้จึกตัวขึ้นมาแก้ไขได้กบทันทีคิดหัวเราะแทนที่โกชามีเกิดความรักสามีเข้ามาเตือนไม่ได้เตือนโดยตรงบอกโดยโอ้อมนี่กนขอเทือทุงกันแบบนี้ถ้าเป็นผัวเป็นเมียเป็นครอบครัวเดียวกันดูแลกันด้วยต้งสร้างต่อไปอีก หัวเมียกันธรรมดาการเป็นกัลยาณมิตรการเป็นกัลยาณมิตรลึกซึ้งกหัวเป็นหัวเป็นเมียหัวเมียกันนี่มันมันขาดง่ายต่อไปอีกให้มันยาวๆลึกซึ้งก็ไปตัวเจ้าเคยสอนลงนี่เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่ สามีเป็นสามีปัญญาเป็นพัญญาญาเป็นน้องสาวสามีเป็นน้องชายปัญญาเป็นพี่สาวสามีเป็นพี่ชายสามีเป็นเพื่อนพัญญาเป็นเพื่อนสามีเป็นพ่อพัญญาเป็นแม่เรียกได้ทั้งสี่หกห้าหกอย่างจะเรียกแม่ก็ได้เพราะอขเป็นแม่ของลูก เรียกน้องสาวเวลาใดงอยเงี้ยมันน้องของเราอย่าถือสาหาเรื่องแต่เห็นปัญญางอยเเห็นสามีงอยเงี้ยก็ปัญญาเหมือนน้องสาวสามีน้องชายเราใหญ่กว่าเขาเราไม่เป็นเหมือนเขาช่วยเขาเวลาใดเห็นเขาดีกว่าเราเป็นผู้หลอกผู้ใหญ่ก็สามีพี่ชายปัญญาพี่สาวถือว่าพี่สาวเขาดีกว่าเรา เาขาช่วยเหลือเป็นเพื่อนเขาเจอว่าสามีเพื่อนปัญญาเป็นเพื่อนกันเวลาใดที่เขาดูแลเราหมดลูกเจ็บเคราะเด็ป่วยชี้ชีเยี่ยวให้ก็เรียกว่าสามีเป็นพ่อปัญญาเป็นแม่ก็ได้เขาก็เป็นแม่ของลูกเรามันลึกซึ้งดีกว่าสามีปัญญาธรรมดา ต่อเข้าไปไมันลึกซึ่งเข้าไปดูแลกันไปดีจะมีประโยชน์มาก้าเรื่องเป็นต้องดูช่วยกันก็ดีลางอย่างสมัยเราปฏิบัติก็มีมีมีเพื่อนเรื่องนี้พระอนน กราบถวาพรเจ้ากรทียาณมิตรดีนะถือว่าเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดพระเจ้าก็ทักท่วงว่าไม่แค่นั้นอาโน์อยาพูดเช่นนั้นเลยกรทียญาณมิตรเป็นที่สุดเป็นทั้งมดของพมาจารย์ ถ้าใครเมตตกันละเอียดกันถือว่าเป็นพร้มาจันได้ทั้งหมดทั้งหมดของจานไม่ทุกพ้นทุกไม่มีปัญหาบริสุทธิ์ทั้งหมดของจานคือกันลยดมิตรไม่เกี่ยวกับอะไรั้งสิ่นลึกซึ่งกับญาติญาติสายโลหติตยังมีโอกาสตะเลอะกันได้ถ้าญาติ ให้เป็นญาติโต้ก็ไปอีกเรียกว่ากัญญาณมิตรเป็นญาตสองโตลึกซึ่งกว่าสายโลหิตคือญาติถ้าเป็นกัญญาณามิตรแล้วไม่มีทางทะเลาะล่ากันเหมือนญาติธรรมดาญาติธรรมดาทะเลาะล่ากันได้ค่ากันได้ถ้าเป็นกัญญ า, า, า, า, า, า, า, ามิตรเนี่ยไม่มีโอกาสที่ทะเลาะกันได้ เช่นถ้าเราเห็นกายเห็นใจธรรมดามักจะโจรง่ายโกรธง่ายทุกง่ายหลงง่ายเป็นตัวเป็นตนง่ายง่ายถ้าเห็นเป็นรูปธรรมนามธรรมโกรธไม่ลงหลงไม่ลงทุกไม่ลงทะเลาะกันไม่ลงเห็นเป็นรูปธรรมนามธรรมแล้วทะเลาะกันไม่ขึ้น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 ง่าหลงง่ายถ้าเห็นเป็นรูปทำน้ำทำไม่ค่อยหลงแล้วก็ไม่ค่อยทะเลาะ ก, กันทะเลาะ ก, กันไม่หลงเพราะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไปเรื่องถูกต้องคนทะเลาะ ก, กันเพราะความหลงคนทะเลาะ ก, กันเพราะความโกรธผู้เห็นรูปทำน้ำทำแล้ว มันหลงก็จะให้หลงเป็นปริยัากมันโกรธจะให้เป็นความโกรธเป็นปริยัากทําไม่ลงไม่มีรสชาติก็ไม่ค่อยทะเลาะกันถ้าเห็นรูปามน้ําทําแล้วถ้าทุกเป็นเป็นถ้าเห็นถ้าทุกเป็นผู้ทุกเป็นเปลียงเป็นลูกเป็นกายเป็นใจถ้าเห็นมันทุกไม่ใช่กายใช่ใจเป็นรูปเป็นนามเป็นอาการ มล้วก็พ้นแปลกนี่ต่างเก่าอย่างนี้วิธีปฏิบัติแบบเนี้มันลู้ไปอย่างนี้มันไม่สู่จากนี้ที่ได้เห็นกายเห็นใจเคลื่อนไหวอยู่นี้คืออะไรคือกายอันที่มันลู้การเคลื่อนไหวคืออะไรคือใจตอบต่างนี้จบแบบตอบแบบไม่ ไม่รับผิดชอบให้เห็นตัวนี้ตัต้งตอบตรนี้ก็ถูกแบบกำปั้นทุบดินแต่ไม่ถูกทั้งหมดมันคับแคบต้าเห็นเป็นรูปเป็นนามมันแตกฉานมันแตกฉานไม่จนกว้างใหญ่ไพศาลเห็นทุก ไม่ใช่ทุกเป็นอาการที่เกิดขึ้นไม่ใช่ทุกเห็นมันร้อนไม่ใช่ความร้อนเป็นนาการเกิดขึ้นจากรูปจากนามถ้ารูปไม่มีร้อนไม่มีหนาวไม่ปวดไม่มีหิวไม่ใช่รูปขอบคุณความร้อนขอบคุณความหนาวขอบคุณความเจ็บปวดหน้านเราไม่เห็นรูปนามเห็นกาย ใ, ใ, ใจจะเป็นทุกจะเป็นทุกง่ายความร้องคือกูร้อนเตัวเป็นตนเดง่า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 เตียงติดเป็นอาการเราไปตูเอาอาการไม่ใช่ตัวใช่ตนเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจยัยมันก็ไม่ใช่อยู่ที่นั่นตลอดไปเช่นความโกรธประการเกิดขึ้นมันก็หายไปมีแล่ว้วหายไปเกิดก็เล้วดับไปแต่เราไปถือเอาว่าเป็นตัวเป็นตนถ้าเห็นรูปธรรมเห็นนามธรรมแล้วจะไม่มีตัวตนเป็นไปเพื่อทางอดกกทุกข์เป็นไปพวงจงอดเป็นไปเพื่อปัินิพาน จบไ่ง่ายอะไรที่เกิดเกืออกายกับใจแปดเป็นสี่พันอย่างกิเลสพนห้าตหาร้อยแปดเห็นเป็นรูปทำนามทำทั้งหมดเห็นแต่อาการทั้งหมดรูปมันทำดีนามมันทำดีรูปมันทำชั่วนามมันทำชั่วทั้งหมดใจรูปใช้นามให้ทำดีแต่ก่อนรูปนามมันใช่เรา พอเราเห็นเราใช้รูปเชอนามพอเราเห็นเราใช้วัตถุเห็นวัตถุอาการวัตถุคือตาคือหูจบบกดิ้นกายใจเป็นวัตถุภายในวัตถุภายนอกคือรู้รู้จินเสียงเรียกวัตถุอาการเมื่อมีหูได้เย็นก็มีอาการได้เย็นในตาเห็นรูปก็มีการเห็นเกิดขึ้นเห็นเป็นรูปทำนามทำ ไม่ใช่ตัวตนตาตาไม่เห็นได้ว่าไม่มีวิญญาณดางตาหูไม่ได้ย็นก็ใช่ไม่ได้แต่โบกไม่มีเกลียวสัมผัสใจคิดไม่เป็นไม่ใช่าการที่เกิดขึ้นกับรูปกับนาตามธรรมชาติไม่ใช่ตัวใช่ตนรูปทํานามทามันทำดีทาชั่วรูปทุกนําทุกมันเป็นทุก ห า, หายเจ็บเขหายเจกเป็นทุกข์หิวเป็นทุกข์โดย เ, เ, เจ็บเจ็บตายเป็นทุกข์ก็ไม่เห็นลูกเห็นนามมีแต่ทุกข์ก็เห็นแล้วเป็นอาการความทุกข์ไม่ใช่ทุกข์จริงๆบรราการของลูกของนามอย่างเนี้มันบอกไปอย่างเนี่ยลูกมันบอกนามมันบอกไปเนี่ยแต่ความหลวงกายเป็นปัญญาไปอย่างเนี้ย ได้สูตรได้หลักฐานเหมือนกับพิภาคษาตุลาการพ้องเข้าไปเราเป็นจำลวยของความหลงความโกรธความโลภความทุกข์เมื่อมีหลักฐานเข้าไปไม่มีหลักฐานที่ทำใหนเกิดลูกเป็นทุกได้เลื่อนลอยพิภาคษาตุลาการขี้ขาดได้ เดี๋วนี้เกิดเจ็บเจ็บตายตัดถินใจเราแล้วเราต้องยอมเป็นทุกข์ความเกิดเป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์วมตายเป็นทุกข์ความเก็บเรียกว่าตัดถินเราเป็นจำเลยของพิภากษาเรื่องนี้แบบป่าเถื่อนเมื่อเราไปเห็นแล้วสติสัมชฉะเป็นตุลาการเกิดความเป็นธรรมความทุกข์ไม่เป็นธรรมความไม่ทุกข์เป็นธรรม ได้อิสละเป็นอิสละไกลจากข่าศึกอย่างนี่ยที่ภาคสาตุลาการความเกิดไม่เป็นทุกข์ความเจไม่เป็นทุกข์ความเจ็บไม่เป็นทุกข์ความตายไม่เป็นทุกข์สิทธิของเราอย่างเนี้เวทนาไม่เป็นทุกข์ สันยามไม่เป็นทุกข์สังขารไม่เป็นทุกข์ถ้าเราไม่เห็นไม่รู้ม่จตทุกข์ตู่วมทุกข์ยางเอาแล้วมีควมทุกข์เป็นเมื่อหน้าแล้ว <c oughs> ทําจะไหนกันทําที่ชูแ่งกองทุกข์จะปรากฏชัเใจเราได้เราจึงอุธ สหันตังสามมาสมัมพุทธังอุทิตตามพทธเจ้าทำตามพทธเจ้าพทธเจ้าสอนอย่างไงอุทิตไปว่าทำตามเมื่อเราทำตามจึงรู้อย่างนี้ว่าเอตนาก็ไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงเอตนาไม่ใช่ตัวตน สัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขามไม่ใช่ตัวตนวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสึกใดย์มาเที่ยงสิเด้์เป็นทุกข์สิเดยเป็นทุกข์สินั้นไม่ใช่ตัวตนในขวัถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราเมื่อเรารู้อย่างนี้ในขวัญที่ไปจิตถือว่าเราของเราแต่ความความเที่ยงเป็นทุกข์ตัวมันทุกข์เป็นทุกข์ เมื่อเรามายเห็นหลังจาเราสวดพระสูขรงมื่ี้นี้ไป ต, ตีละครนาคาถ า, าได้ไหมสวดตีละครนาคาถาอีกสักรอบตองดูว่าจะกันอย่างไรได้ไหมเปิดตำลา หน้าที่เท่าไหร่ฮะหน้าที่ยี่สิบเก้าประมาณนี่แหละสามสิบีลัคนาคาถาหน้าที่เท่าไหร่ฮะยี 29, ะ่บเก้านะประมาณนี้อันธรรมวจัง ติเลขนานาถาโยภนามาสิจเพิสังฆาลาอเิจาติยาธาปัญญายาปัจจติเมื่อใดบุคคลเหตดด้วยปัญญาว่าสังขารทางขวงไม่เที่ยงอัจธานิพนติทุเกะเอสามาโกวิชติยา เมื่อน้อยเหนืยหน่อยในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่จนหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานอันเป็นธรรมโอชดจพิจังการาทุกขติยาธาปัญญายาปัจจิตเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทางขวงเป็นทุกข อัตถานิเนติทุกิเอชมาโกวิสติยาวานัญอมหนายใสิ่งที่เป็นทุกข์ที่จนหลงนอนแดละเป็นทางแห่งพระานอันเป็นธรรมพอจพอพอพอพอแล้วพอแล้วใช่ไหมทำไม่เที่ยงทำไมเป็นทุกข์กราไม่รู้พ่ามาลู้แล้ว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 ก็ไม่มีก้าวตรงนี้ก็ไม่ถึงที่นั่นเมืเ่อเวียนมันก็ไม่มีเกิดนีเจ็มีเจ็บมีตายไม่ตายพระความตายไม่เจ็บพระความ เ, มเจ็บไม่ทุกข์เพรทุกข์เป็นไปได้ในชีวิตเหล่านี้ตึกไว้เตรียมใจก่อนตายเตรียมไว้จะได้รู้วิธีเจ็บทำงางวิธีตายทำงางเก็บให้เป็นตายให้เป็น นี่แหละ ว, ว่าพระเจ้าตรัสรู้เรื่องนี้จึงได้ชื่อว่าพระพุทธเจ้าเมื่อสอนคนอื่นลู่ตามชื่อว่าสมมาสมพุโทโธได้เพราะเรื่องนี้ไม่ได้วิเศษไปเรื่องอื่นมาเห็นเรื่องนี้เรียกว่าเหนือการเกิดเจเยปตาย เ, าเริ่มต้นไปจากหลงเป็นลู่โกรธเป็นไม่โกรธทุกข์เป็นไม่ทุกข์จนเห็นกายเห็น ใจว่าเป็นรูปธรรมนามธรรมสัมผัสเกิดความรู้ของหลงรสชาติของความทุกข์เป็นไงเห็นมันทุกข์ไม่ทุกข์เป็นยังไงไม่เป็นผู้ทุกข์ขวางทุกข์เป็นยังไงไมันจะเปลี่ยนตรงนี้จิตใจเราเปลี่ยนตรงนี้เราจะพูดออกจากปากเราได้แต่ก่อนเราเคยเป็นสุกปนทุกข์ขวางคิดเป็นสุกปนทุกข์ขวางคิดโตนี่ไป จ่กี่พบกี่ชาติก็ตามแล้วจะไม่เอากายเอาใจมาเป็นจบเป็นทุกข์เด็ดขาดเลยอย่างนี้จะว่าได้ไหมออกวางจากหัวใจของเราเนี่ยโต น, นี่ไปอันที่ว่าทุกข์ที่เกิดกับกว่ากใจจะไม่มีอีกแล้วองเทียนหมดเชือกขาดแล้วเดี๋ยวเป็นเชือกอยู่ถ้าจะดึงให้มัน ลากอะไรเปมันไม่ไปมันขาดตกแก้วเป็นแก้วอยู่แต่มันแตกแล้วจอมอใช้ให้เป็นแก้วมันไม่สาเร็จประโยชน์เวทนาเป็นทุกข์ไม่ทุกข์เพราะเวทนาเป็นทุกข์ไม่ได้หรือเวทนาเป็นทุกข์สัญญาเป็นทุกข์สังขารเป็นทุกข์วิญญาณไม่ทุกข์เวทนาไม่เป็นทุกข์สัญญาไม่เป็นทุกข์สังขารไม่เป็นทุกข์วิญญาณไม่เป็นทุกข์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 นี่เรียกว่าเวียนหลงเป็นลูกเป็นโสดาปฏิมาใครเป็นผู้ลูกอย่างเนี้ยคู่แห่งโหลจีคู่คือใครพระสงเกิดจากพระธรรมคือใครมีการปฏิบัติดีเป็นต้นใครปฏิบัติไม่ใช่พระสงเกิดจากโุบชาสานตาเปวบชาเป็นสมมติสง เพราะสง์ที่เป็นสงฆ์รัตาตายสงฆ์สงฆ์งขาพุทธเจ้าที่ขี้บอกว่ามีบุรุษสี่คู่นับเพียงได้แปดบุรุษคือใครบ้างเขาทำอะไรจึงเป็นบุรุษเป็นสงฆ์ขึ้นมาเขาเพียรทอย่างไรปฏิบัติดีปฏิบัตบิตรงว่ารู้จี สุปฏิปันโนภะควโตสาวกชังโกสงสารบกของพระภูมิพระภาคเจ้านั่นโมไดปฏิบัติดีแล้วอชุปฏิปนโนภะควโตสาวกชังโกสงสารบกของพระภูมิพระภาคเจ้าโมไดปฏิบัติตรงแล้ว สาามิจิปติปนโนปะกวโตวสากวกสังโคสงสากวสากของพระภูมิพระภาคเจ้าหมู่ใดปติวัิลู่ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วอยู่ที่ไหนเปลี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกข์มันใครเปลี่ยนให้เราคนอื่นช่วยเราได้ไหมเราต้องช่วยตัวเราเองหัดเปลี่ยน อาจเปลี่ยนร้ายเป็นดีเรียกว่าปฏิบัติธรรมอย่างนี้เนี่ยเหมือนจริงขนาดไหนอย่าไปเชื่อถ้าเราทำโดยก่อนแล้วจึงเชื่อโอ้เป็นอย่างนี้โอ้เป็นอย่างนี้ไปกรรมฐ า, านนิปจาคือโอ้โ อ, โอเป็นเขาบอกอืมมันหลงอืมมันลูกอืมงันฉุกอืม มันทุกข์มันโกรธเออมันไม่โกรธไม่มีแปลกเออดีเออไม่ดีอย่างนี้ชอบอย่างนี้ไม่ชอบไม่ใช่ไม่ใช่ปฏิบัติดีแล้วปฏิบัติดีวันหลงเห็นมันหลงมันรู้เห็นมันรู้ไม่เป็นผู้รู้มันทุกข์เห็นมันทุกข์มันสุขเห็นมันสุข มันโกรธเห็นมันโกรธมันรักดีใจเห็นมันรักดีใจมันเฉื่ยใจเห็นมันเสียใจไม่ได้ไปอย่างนี้ไม่ได้ไปอย่างนี้อย่างนี้คือเป็นอะไรไม่เป็นอะไรคืออะไรเป็นกลางกลางคืออะไรคือมัสมัสมเป็นกลางอย่างนี้ถ้าดีใจเห็นผู้ดีใจไม่เป็นกลางเสียใจไม่เป็นกลาง มัอยู่ตรงนี้เหมือนเข็มมิเตอร์มิเตอร์เวลามันระวัดมันจะปับขึ้นมาถ้ามิเตอร์อันไหนมันไปนี่ระหว่างเครื่องชอดไหวชดมันไม่ขึ้นเหมือนปั้มปั้มมันมีหมอมันมีมันมีทองแดงอันนี้ก็มีทองแดงมันหมุนอัทีละฝันสองร้อยรอบถ้าไม่หมุนมาจี้ยนนี่ไม่ มันทำไมจึงหมุนตัวนี้ก็ดูดตัวนี้ก็ดูดมันไม่ไปมันหมุนเยาะเนี่ยอันภาวะที่เป็นมอเตอร์ถ้ามันไปอย่างนี้เสร็จเลยใช่ไหมล่ะถ้ามันสุกใช่ไล่ะถ้ามันทุกข์ใช่ไหมล่ะเป็นไม่เป็นมาถ้ามันเป็นอย่างนี้มันเห็นอย่างนี้มันสุกมันทุกข์ไม่เป็นไม่เป็ี่นอะไังงี้เราเนี่ยเอย่างนี้เราเฉิเสรินเป็นอย่นี้อันนี้เธอเฉินเฉินูกลูกเห็นไม่เป็นนั่นะ อยู่ที่ไหนอยู่ที่เนี่ยอยู่ที่ใจเราน่ะทุกคนทำได้เนีก็พูดตรงตรงแบบเนี่ยไม่ยากอย่าชิดหนักง่ายง่ายมือลองยกมือขึ้นมีมีหลังมือไหมมีหน้ามือไหมถ้าหลงเหมือนควมมือไม่หลง หามือเหมือนกระจเกเราทางนี้จะกงเราเหมือนสองเหมือนบันดิตมองตนถ้าหลงสองได้ไหมหลังหน้ากระจกไม่เห็นถ้ารู้ไม่หลงเห็นเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงบันดิตมองตนอย่างนี้คนผ่านมองคนอื่นคุณละดีเราคุณไม่ดีเราดีไม่ใช่ บัณฑิตมองมหาตัวเราคนพานมองไปข้างนอกเราจึงฝึกตนโสน ต, นตนเต็มที่ไม่ต้องไปทําอะไรอยู่ที่นี่ไม่ต้องไปคิดว่าจะคิดอะไรจะชิวอย่างโสตายรองโดคงไม่ตายนะถ้า จ, จะตายเรื่องอะไรเจ็บไม่สะดวกเรื่องอไหนบอกอาจารย์ตุ้มอาจารย์นดอาจารย์ตรงฉิน นองตาไม่มีเลียวไม่แรงรูงมีเลียวไม่แรงอะหลายรูปวันนั้นวันนี้ไม่เดบอยู่นี่หลายวันจึงอยากจะบอกเวลานี้ขยันบอกเหมือนก็จะตายไปแล้วชาไม่ได้ไม่รูปวันนี้ชาติหน้ากูจะรู